ท่ัผู้ฟังที่เคารพคะนี่คือรายการสนทนาปัญหาธรรมะรายการของเราวันนี้ก็คงจะต้องสนทนากันในเรื่องของมงค ล, ลสูตรที่สี่ว่าด้วยอุดมมงคลสามสิบแปดประการก็คราวที่แล้วได้สนทนาถึงเรื่องของการกระทำนิพพานให้แจ้งว่าเป็นอุดมมงคลนะคะ ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวขอกราบอรัธนาพระคุณเจ้าพระอาจารย์สมทบประกะโมได้กรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ขออรัธนาค่ะขอเจริญพรคนะาถาที่จะบรรยายในครั้งนี้เป็นคาถาที่ส0มีอยู่สี่มงคลคนะคือพุทธะโลกธรรมเมหิ จิตตังยัตสะน ก, กรรมปรติซึ่งแปลว่าจิตของบุคคลใดไม่หวั่นไหวได้วยโลกธรรมทั้งหลายที่ถูกต้องคือมากระทบแล้วชื่อว่าเป็นอุดมมงคลชื่อว่าเป็นอุดมมงคลประการหนึ่งข้อสองคืออโศกังความไม่โศข้อสวิราชังนั้นก็แปลว่าความไม่มีทุลีทุลีก็คือกิเลสทั้งหลายนั่นแหละ ข้อสคือเขมังคือความเกษมจากโยคะในมงคลทั้งสี่เนี่ยนื้อคว่าโลกธรรมนั้นเนี่ยคำว่าโลกธรรมมีอยู่8ปดประการนั้นได้แก่ธรรมดาของโลกธรรมดาของโลกนั้นก็กล่าวคือว่าโลกยังเป็นไปอยู่ตราบใดธรรมของโลกเหล่านี้ก็ไม่หยุดอยู่ตราบนั้นคือหมุนไปตามโลกนั่นเองวะเงินคือโลกธรรมทั้ง8ดนี่นะื หมุนไปตามโลกโลกธรรมนั้นมีอยู่8ประการนะอย่างก็คือว่าลาบยศสรรเสริญสุขอันนี้ฝ่ายดีนะแล้วก็เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกมีฝ่ายเสื่อมฉนั้นโลกธรรมนั้นมีอยู่8ประการนี้ย่อมติดตามโลกก่าวคือสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามธรรมดาเาเรียกหมุนตามโลกไปนี่เขาจึงเรียกว่าโลกธรรม ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยะทั้งปวงไม่เว้นเลยเพียงแต่ว่าโลกธรรมเนี่ยเมื่อถูกหรือถูกต้องใครหรือบุคคลใดเนี่ยถูกต้องโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะมีจิตใจหวั่นไหวเดือดร้อนหลงไหลเพลิดเพลินหรือไม่นั้นน่ยก็แล้วแต่บุคคลยไมา แต่ละบุคคลนั้นน่ะเมื่อถูกโลกธรรมถูกต้องแล้วเนี่ยบางคนไม่หวั่นไหวบุคคลนั้นก็เป็นมงคลของท่านพุท น, นั้นไปใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าใครเจอโลกธรรมถูกต้องแล้วเนี่ยเกิดจิตหวั่นไหวหมายความว่าหมายถึงทั้งไม่ยินดีเมื่อได้มาและไม่เดือดร้อนเมื่อเสื่อมไป ฉะนั้นในลักษณะของโลกธรรมที่พวกเราทั้งหลายหรือสัตว์โลกทั้งหลายได้ถูกต้องเนี่ยถ้าถามบอกว่าลาบยศสารเสริญสุขเนี่ยถ้าพิสถูกต้องสัตว์โลกผูดด้ใดแล้วเนี่ยถามว่าถ้าหากว่าเพลิเพลินก็แสดงว่าจิตของผู้นั้นหวั่นไหวแล้วใ ช, ใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและทุกความเสื่อมลาบความเสื่อมยศถูกนินทาแล้วเจอความทุกข์ทรมานเนี่ยเข้ากระทบกระทั่งหรือถูกต้อง ถ้าเกิดวันไหวอย่างเดีนกันเกิดความเครียดเกิดความกโกรธเกิดความกังวลก็แสดงว่าไม่ได้มงคลทั้งสองประการ น, นี่แหละอ๋อค่ะก็ข้อนี้นี่จะค่อนข้างกระทบกันค่อนข้างมา ก, ก น, นะคะในเรื่องของโลกธรรมเขาเรียกว่าโลกธรรมถูกต้องแล้วค่ะ <laughs> เพราะว่ายิ่งในช่วงตุลานี่ก็เป็นช่วงที่หลายคนก็จะกระทบมากกันนะคะนั้นเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยต้องเจออยู่ตลอดเวลา ทีนี้ว่าใครจะสามารถทำมงคลให้เกิดขึ้นได้อันนั้นแหละเป็นความเป็นความเข้าใจหรือศึกษาในเรื่องของมงคลได้ดีใช่ไหมถ้าหากว่าคนที่ศึกษาได้ดีแล้วก็จะไม่หวั่นไหว พระอาจารย์คะวิธีการที่จะวางใจหรือมณสิการให้จิตไม่หวั่นไหวตามโลกธรรม8ดนั้นมีข้อเสนอแนะไหมคะคืออิทธารมเนี่ยคืออารมณ์ที่ดีใช่ไนาปราถนาน่าพอใจมีอยู่4ประการพระพุทธเจ้าตรัสเข้าไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการเหล่านี้ย่อมหมุนไปตามเหมือนย่อมติดตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมทั้ง8ประการทั้งลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอด สรรเสริญนินทาสุขแล้วก็ทุกข์แล้วก็พิกษูทั้งหลายโลกธรรมทั้ง8เหล่านี้ย่อมหมุนไปตามย่อมติดตามโลกและโลกก็ย่อมหมุนไปตามโลกธรรมทั้ง8ประการทีนี้โลกธรรมทั้ง8ปดประการนี่ท่านแบ่งเป็น2ประเภทประเภทอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาน่ายินดีน่าใคร่น่าพอใจนั้นก็ได้แกไ่ได้ลาบได้ยศได้รับสรรเสริญและได้รับความสุขถ้าหากส่วนผลร้ายหรือที่ไม่ดีที่พวกเราทั้งหลายไม่ปราถนาก็คือว่าอณิถารม คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ายินดีไม่น่าแตะต้องหรือไม่น่ามาถูกต้องเนี่ยก็คือความเสื่อมลาบเสื่อมยศแล้วก็ได้รับการนินทาตลอดถึงได้รับความทุกข์ความทรมานทีนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกธรรมทั้งสองฝ่ายนี้เป็นของมีอยู่ประจาโลกใช่มเมื่อมีอยู่ประจาโลกเนี่ยผู้ที่มีในโลกที่มีคนหรือมีสัตว์โลกอยู่เนี่ย ผู้ที่อยู่ในโลกก็จะต้องถูกต้องหรือถูกสิ่งเหล่านี้กระทบกระทั่งอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วผู้ที่มีคนชมทั่วเมืองก็อย่าไปคิดว่าจะไม่มีคนนินท า, าหรือคนที่มีคนติหรือมีคู่อริมากๆก็อย่าไปคิดว่าจะไม่มีคนชมเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆทีนี้มันเป็นธรรมดาของโลกเนี่ยแต่มันวิธีคิดของพวกเราเนี่นะ เมื่อวิธีคิดของเราไม่ถูกหรือจิตของเราเนี่ยไปเป็นไปตามกระแสะโลกจนเกินไปเนี่ยเราก็หามงคลในตัวเองไม่ได้คือจิตเราหวานไหวหมดแหละออย่างเช่นว่าได้รับความสุข ไ, ด, ไ, ด, ไ ด, ด้ได้ลาบได้ยศได้สารเสริญได้รับความสุขเนี่ยคนนั้นก็เกิดเพลิดเพลินเกิดความหลงระเริงใช่ไหมใะขณะนั้นก็ชื่อว่าท่านพุนั้นน่ะวานไหวแล้วถามว่า ระหว่างสิ่งที่ดีอิทธารมคืออารมณ์ที่ดีกับอันนีาอารมคืออารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยถามว่ามนุษย์ชอบทั้งไหนสัตว์โลกชอบทั้งไหนชอบอารมณ์ที่ดีไหมชอบอารมณ์ที่ดีทีนี้อารมณ์ที่ดีเนี่ยเมื่อมากระทบแล้วเนี่ยถามว่าถ้าปรารถนาไม่ให้จิตหวั่นไหวก็ต้องรู้รู้จักที่จะป้องกันหรือระวังในการที่จะให้อารมณ์เหล่านั้นถูกต้องหรือกระทบ คำว่าป้องกันในที่นั้นก็คือว่าการมีสติระลึกเนี่ยในการที่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายมากระทบมาถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจาเป็นทีนี้การที่จะมีสติระลึกได้อย่างไรใช่ไหมนั่นสิค่ะการที่จะมีสติระลึกได้อย่างไรก็พิจารณาให้ถูกก่อนคือว่าสิ่งดีๆนกระทบกระทั่งหรือถูกต้องเราเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เที่ยงนะใช่ไหมมันมี<ะ>ความแปรปรวนเป็นธรรมดานะ มันไม่คงทนมันไม่ถาวรมันไม่ตั้งมั่นหรอกเมื่อสิ่งดีๆกระทบกระทั่งได้เดี๋ยวสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องมีโอกาสกระทบกระทั่งได้ในขณะ น, นั้ น, นเนี่ยต้องเตือนตัวเองให้เป็นใช่ไหมเบื้องต้นในการที่จะฝึกในการคิดในการพิจารณาเนี่ยต้องรู้จักเตือนตนเองวาระนี้โอกาสนี้สิ่งดีๆมากระทบมาถูกต้องมาสัมผัสเราแต่สิ่งเหล่านี้ จะอยู่กับเราได้นานหรือไม่นานนั้นนะ่ะก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยเลยใช่ไหม <Okay. S 2> เมื่อเหตุปัจจัยมันหมดที่มันกระทบก็ถูกต้องเหี <Okay. S 2> ๋มันก็หมดเมื่อหมดแล้วเราจะคิดต่อสิ่งนั้นอย่างไรอายุก็อย่างเห็นชัดก็คือว่า <Okay. S 2> เงินทองที่ได้มาอันนั้นแปลว่าได้ลาบเมื่อเราได้แล้วเนี่ยก็ต้องตรึกต้องพิจารณาแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ที่ได้เนี่ยปัจจุบันเนี่ย ที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแลแต่ถามว่าเมื่อได้สิ่งที่ดีอย่างนี้เราจะคิดต่อสิ่งนี้อย่างไรไม่ใช่ห ล, ล, ล, <ม>ลงละเริงเพลิดเพลินอะไรต่างใช่ไหมถ้าหลงละเริงเพลิดเพลินเนี่ยที่สุดจริงๆก็เกิดความเกิดความสุรุ่ยสุรายและที่สุดจริงๆก็จะหมดและเดี๋ยวก็จะเกิดทุกข์ตามมาและมนุษย์ก็จะทุกข์ซ้ำซากในเรื่องเหล่านี้กันตลอดเวลาดีใจต้นเดือนเสียใจปลายเดือนอย่างนี้เรื่อยอยู่เห็นเพราะเราไม่ระวังจิต ไม่รู้จักฝึกขัดจิตก็เลยไม่ได้มงคลคือทำให้จิตวันไหวนั่นเองฉะนั้นบางบางคนบางท่านเนี่ยไม่วันไหวในโลกธรรมใช่ไหมไม่วันไหวในโลกธรรมถ้าบุคคลที่เป็นพระอริยะได้ช้ำไปท่านก็สามารถที่จะการจิตของท่านได้แต่อย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่ยังจะต้องกยังจะต้องกระทบกระทั่งสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าจะต้องทำจิตไม่ให้หวันไหว ลักษณะจิตที่ไม่หวั่นไหวเมื่อโลกธรรมเกิดขึ้นกับบุคคลใดท่านสอนให้พิจารณาความเป็นจริงของโลกทั้งฝ่ายดีแล้วฝ่ายร้ายหรือฝ่ายอิทธารณมและอนิธารลมให้พิจารณาโดยความไม่เที่ยงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่คงทนถาวรมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใครจะไปอ้อนวอนให้มันเที่ยงให้มันคงทนให้มันถาวรมันก็ทาไม่ได้ของทุกอย่างมันเปลี่ยนตัวมันเองในสภาพตัวมันเองตลอดเวลานะ ทั้งสิ่งที่กระทบกระทั่งทั้งความรู้สึกของเราที่ไปสัมผัสมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราทั้งหลายไม่ได้พิจารณาเเมื่อไม่ได้พิจารณาหรือเมื่อไปพิจารณาแล้วก็วางจิตไม่ถูกโทสะก็เกิดเช่นถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องวิบัติเช่นว่าหลายหลายคนบ่าจากการที่มีหน้ามีตาและจะถูกปัญ น, นามถูกว่าร้ายถูกติชิ้นลินทาเนี่ยยอมรับสภาพไม่ได้ สภาพร่างกายยังดีอยู่แต่ต่อมาโรคภัยแค่เจ็บมาถูกต้องมากระทบกระทั่งแล้วเนี่ยก็ยอมรับไม่ได้ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกว่าจิตหวั่นไหวเหตุที่หวั่นไหวนั้นก็เพราะอะไรว่าไปหวั่นไหวต่อโลกธรรมไปหวั่นไหวต่อความจริงของโลกไปหวั่นไหวต่อสภาพธรรมที่มันหมุนไปตามโลกหมุนไปตามกระแสมันมีขึ้นมาอยู่อย่างนี้เราจะเกิดจะตายจะไปไหนมาไหนมันก็มีขึ้นมาอยู่อย่างนี้แหละใช่ไม่ใช่ โลกใบนี้นะมันก็มีสภาพของมันเป็นอย่างนี้แหละมันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่มุมไหนบางทีบางคนก็อยู่มุมร้อนบางคนก็อยู่มุมหนาวจัดบางคนก็ร้อ น, อ น, นๆ้นหนาวเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นไปของโลกแล้วมันอยู่ที่การวางจิตหรือวิธีคิดของสัตว์โลกต่างหากว่าเราจะคิดแล้วจะมองมุมนั้นอย่างไร ถ้าเรามองไม่ได้พิจารณาขาดปัญญาขาดโยนิสโสมนสิการคือการพิจารณาโดยอุบายที่แยบคายหรือขาดการคิดให้ถูกทางถูกวิธีและถูกอุบายแล้วเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่อะไรหวั่นไหวไปทางเพลิดเพลินบ้างหวั่นไหวไปในทางเครียดแค้นชิงชังบ้างนี่เป็นอย่างงี้นะโดยเฉพาะบุรุษชนทั้งหลายเนี่ยจิตจะหวั่นไหวมากใช่ไหมเจออะไรกระทบกระทั้งก็หวั่นไหว ฉะนั้นแม้นแต่ยินดีก็หวั่นไหวแม้นแต่ยินร้ายก็หวั่นไหวก็แปลว่าเราทั้งหลายจะต้องพิจารณาเห็นความเป็นจริงของโลกนั่นเองใช่ไหมจ๊ะคำว่าความเป็นจริงของโลกก็คือว่าถ้าเราถูกซัพย์สมบัติกระทบกระทั่งทํามีทรัพย์มีลาบส ก, กาละขึ้นมามากๆเ่ยคิดยังไงก็ก็ต้องคิดว่าความยินดีนั้นจะอยู่กับเรานานไหมเห็นไหม ปัจจุบันเรายินดีเราชื่นชมเราปลาถนาเพระอาจารย์คะในเรื่องของคําว่าความหวั่นไหวเราจะเอาอะไรมาเป็นฐานตัวชี้วัดว่าคําว่าหวั่นไหวกับความตั้งมั่นคะ่ะคือเอาตัวกิเลสบุคคลที่มีกิเลสกล่าวคือราคะโทสะและโมหะมากๆเนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็จะหวั่นไหวไปตามโลกธรรมมากใช่ไหมมันอยู่ตรงที่ว่าโลกธรรมของมันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้ว แต่ถ้าจิตของพวกเราทั้งหลายของสัตว์โลกทั้งหลายที่เกลือกลั้วและเต็มไปด้วยกิเลสถามว่าถ้ามีราคะเก่าวคือมีโลภามากเนี่ยไอตัวโลภานั้นก็หวั่นไหวในเรื่องของทรัพย์สมบัติในลาบยศสารเสริญสุขพอเจอสิ่งเหล่านี้ก็จะหวั่นไหวคือยินดีชอบไปเลยนะส่วนถ้าหากประเภทโทสะเป็นต้นเน่ยโทสะอิสาเมฉริยะและกูกูจา่าเนี่ยเมื่อทรัพย์สมบัตินั้นต้องวิบัติหรือต้องไปตกอยู่ในมือของบุคคลอื่น ก็จะเกิดความเครียดแค้นชิงชังโกรธและพยาบาทมันก็จะหวั่นไหวงี้ฉะนั้นถ้าคนที่มีกิเลสน้อยความหวั่นไหวต่อโลกธรรมก็น้อยคนที่มีกิเลสคือความโลภโกรธหลงมากความหวั่นไหวต่อโลกธรรมที่มาถูกต้องเราก็จะมากนี่วัดกันตรงนั้นนั่นคือตัวชี้วัดว่าทีนี้เมื่อเรารู้ว่าตัวกิเลสนี่แหละเป็นสาเหตุของความที่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมวิธีการขจัด กิเลสไอตรงนี้นี่แหละั <ทำ S 2> วคะว่าเราจะละอย่างไรใช่ไหมความโลภเนี่ยเมื่อมีมากๆก็จะยึดก็จะเหนียวแน่นใช่ไหมก็จะไม่ยอมปล่อยวางอารมณ์นั้นชอบอารมณ์ไหนมากก็ไม่ปล่อยก็จะไปปล่อยในอารมณ์ที่ตนเองไม่ชอบใช่ไหะยึดถือกอดแน่นติดขัดในอารมณ์ที่ตนเองชอบใจอารมณ์ไหนที่ตนเองไม่ไม่ต้องการหรือว่า ไม่พอไอ้ไม่ไม่ชอบก็จะยอมปล่อยอารมณ์นั้นเพาเหตุสังเกตมันจะเป็นอย่างนี้สภาพของโลภะเนี่ยมันเป็นอุปาทานด้วยเป็นความยึดมั่นอย่างแรงด้วยมันเหมือนกับว่างูเนี่ยเป็นรัดกบรัดเขียดใช่ไหมมันกินไม่พอนี่ยยังรัดด้วยนะรัดแน่นไม่ยอมปล่อยเนี่ยนะหรือมันเหมือนกับพวกไอ้ประเภทของไอ้ตังที่ติดนกติดลิงไงเวลาลิงไปเดินดําป่าสมัยก่อนเขาใช้ดักเนี่ย หรือเหมือนชิ้นเนื้อที่ใช่ไมไปโดนโยนไปใส่กระเบื้องที่ร้อนเนี่ยมันก็แกะไม่ออกยงงลักษณะของโลภะนี่เป็นอย่างนี้มันจะติดอารมณ์ทุกอารมณ์เมื่อเรารู้ว่าโลภะนี่มันมีโทษอย่างนี้เนี่ยก็ต้องละวิธีละก็คือการน้อมเข้าหาคําสอนสร้างศรัทธาเกิดขึ้นสร้างวิริยะความเพียรสติความระลึกไดสมาธิความตั้งมั่นและปัญญาเกิดขึ้น สร้างเหตุปัจจัยของศรัทธาโดยการระลึกถึงพระตนะไตรยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นน้อมจิตเข้ามาศึกษาแล่าเรียนฟังคำสอนประพฤติปฏิบัติถ้าน้อมออกมาอย่างนี้ที่สุดจริงๆแล้วก็จะค่อยละไหละราคะได้เริ่มละโลภะและจิตในการที่จะสละจะปล่อยจะวางในบางเรื่องก็จะเริ่มมากขึ้นนี้เป็นงี้ถ้าโทสะมันมากก็ ฝึกในการเจริญเมตตาในชีวิตจังหวะันให้มากๆใช่ไหมมันเจริญเมตตาก่อนที่โทสะมันจะมีอิทธิพลไม่ใช่ไปเจริญตอนโทสะเกิดใช่ไหมวิธีการในการทําอย่างนี้อุบายวิธีต่างๆนี้เป็นอุบายวิธีในการทําให้กิเลสนั้นเขาผ่อนแรงลงใช่ไหมที่สุดจริงๆก็คือว่าถ้าการเจริญการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ย ก็จะเป็นเหตุแห่งการสงบระงับกิเลสและละกิเลสได้ที่สุดจริงๆจะเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุธรรมได้ในที่สุดจริงๆนั้นวิธีการต้องมีแล้วก็ต้องฝึกฝนโดยเฉพาะถ้าภาะยะบุคคลทั้งหลายนี่ท่านก็ไม่หวั่นไหวแล้วท่านไม่หวั่นไหวฉะนั้นการทําจิตไม่หวั่นไหวนั้นก็คือว่าถ้าหากว่ากิเลสในจิตเรามากความหวั่นไหวมีแน่มีมากใช่ไหมคะก็ต้องพยายามขจัด จิตที่หวั่นไหวออกให้ได้นั่นเองค่ะก็ถือว่านั่นก็เป็นมงคลชีวิตอีกมงคลหนึ่งนะคะอีกอในเรื่องของการไม่เศร้าโศกนะคะ เ, เป็นมงคลตรงนี้เนี่ยเป็นมงคลอย่างไรแล้วก็ควรจะวางจิตยอย่างไรคะ่ะในเรื่องของมงคลก็คืออโศกังอโศกังก็แปลความไม่โศก จิตของบุคคลที่ไม่มีความโศกนั้นได้แก่จิตของผ้าลหันแลถึงจะไม่มีความโศกค่ะ <c oughs> ฉะนั้นไปศึกษาคำว่าโศกาโศกาเนี่ยเข้าหมายความว่าความเศร้าโศกความเศร้าโศกที่เรียกโศกาโดยสภาพก็ได้แก่โทมนัตนะน่ยโทมานัสเวทนาที่ประกอบในโทสะมูลจิตนั่นแหละทีนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความเศร้าโศกเข้าถึงความเดือดร้อน เพราะอาศัยธรรมชาติใดฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งความเศร้าโศกเดือดร้อนอันนั้นเรียกว่าโศกะได้แก่โทมนาสเวทนานความเศร้าโศกของสัตว์โลกนั้นน่ะจะเกิดจากพยาสนะคือความพินาศหรือเหตุที่ทำให้เกิดความเศร้าโศกนั้นมีอยู่5ประการเช่นยาติพยาสนะเนี่ยความพินาศแห่งญาติหมายถึงบิดามารดาบุตรดาภรยารวมถึง มิตรสหายต้องล้มหายตายจากนี่ไหมเศร้าโศก ค, ความโศกจะเกิดหรือว่าโผค้าพยัศนะความพินาศไปแห่งทรัพย์สมบัติเจออะไรล่ะอุทกภัยบ้างวาตภัยบ้างโจระภัยอักขีภัยราชาภัยถูกทรยศปลดจากตําแหน่ง น, นี่ไหมนี่บางที่โศกทั้งนั้นนะะนนันี่เหตุหรือโรค้าพยัศนะพินาศเพราะโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนนี่นั สีรพยัสนะพินาตไปแห่งศีนสิกขาบททั้งหลายที่รักษาอยู่นั้นเนี่ยต้องขาดหรือด่างพ้อยพวกนี้ก็เศร้าโศกโดยเฉพาะภิกษุหรือผู้ที่มีศีลทั้งหลายเนี่ยทิฏฐิพยาสนะความพินาตของทิฏฐิคือเป็นความเห็นผิดอย่างรุนแรงโสกาเนี่มีความเผาอยู่ภายในคือความแห้งใจเนี่ยเป็นลักษณะทําให้จิตเดือดร้อนแล้วก็มีความเศร้าโศกเนืองเนืองนั่นเองเมื่อศึกษาและทําความควา ม, ความเข้าใจในเรื่องของ จิตโศกนี่นะลักษณะจิตโศกเป็นอย่างนี้ที่นี่มาดูว่าจิตไม่โศกเป็นยังไง<ะ>ใช่ไหมมงคล น, นี้ท่านว่าจิตไม่มีความโศกเป็นการแสดงผลของจิตที่อยู่ในชั้นของโลกุตระภูมินะหรือเป็นบทสรรเสริญคุณของจิตที่จิตของบุคคลที่บรรลุพระนิพพานนะคือว่าจิตที่ไม่โศกจะไม่มีความโศกเศร้าเสียใจใดๆเกิดขึ้นได้ทีนี้ ถ้าดูลักษณะจิตที่โศกแล้วเนี่ยต้องดูลักษณะจิตของปุถุชนทั้งหลายหรือจิตของสัตว์โลกที่ยังมีกิเลสทั้งหลายสัตว์โลกที่มีกิเลสทั้งหลายนั้นจะมีความเศร้าโศกเพราะความเศร้าโศกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากตัวโทมานะเวทนาที่อยู่ในโทสะถ้าบุคคลที่เป็นผ่านาคามีเนี่ยท่านละโทสะได้เด็ดขาด เมื่อท่านละโทษาได้เด็ดขาดเพราะท่านละเป็นรากเงาของความโศกพระอนาคามีมะนั่นแหละละได้โดยสมุทเฉทปรหารเนียและในมงคลข้อนี้เนี่ยอัตถกถาท่านแก้ว่าได้แก่ของพระอรหันต์ท่านแกว่าพระอรหันต์เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ให้โศกจริงๆก็คือระดับพระอรหันต์เพราะไม่มีกิเลสเข้าไปแตะต้องจิตของท่านเลยใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเรา พ, พิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ย ไอ้ความโศกโศกะก็ะดังที่ได้กล่าวเนี่ยมันเป็นสภาพของโทมนาสเวทนาเหตุที่ทำให้จิตทาให้จิตโศกจิตที่เศร้าโศกนั้นมีลักษณะเป็นความทุกข์เป็นความทรมานใช่ไหมคนไม่ว่าจะเป็นการบ่นเพ้ออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยก็มาจากความเศร้าโศกมีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่ใช้คำว่าปียโตชายเตโซโกความโศกเกิดแต่สิ่งนั้นเป็นที่รัก ปียโตชาญาเตพยังภัยย่อมเกิดแต่สิ่งเงินเป็นที่รักรติยาชายาเตโสโกความโศกเกิดแต่สิ่งที่ยินดีรติยาชายาเตพยังภัยย่อมเกิดแต่สิ่งที่ยินดีฉะนั้นความยินดีหมายถึงความติดใจในการมคุณเนี่ยเช่นความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเนี่ยนะความโศกเกิดแต่ความไข้ภัยเกิดแต่ความไข้ ความโศกเกิดแต่ตัณหาภัยเกิดแต่ตัณหาตัณหาก็หมายถึงความอยากได้ที่นั้นความอยากเป็นสิ่งที่ทำให้จิตนั้นโศกนะโศกจิตที่ไม่โศกนั้นเนี่ยก็คือไม่มีความเศร้าหมองไม่ยินดีในสิ่งนี้นเอ๊ะถ้าหากว่าพิจารณาถึงจิตที่ไม่โศกเนี่ยก็หมายถึงว่าจิตที่หลุดพ้นจากสิ่งที่รักสิ่งที่ยินดีหลุดพ้นจากความไข่ และก็หมดจากความอยากก็ได้แก่จิตของบุคคลที่บรรลุพระนิพพานจริงๆใช่ไหมครัแต่พวกเราทั้งหลายเรายังมีกิเลสนอนเนื่องอยู่เมื่อเราทั้งหลายยังมีกิเลสนอนเนื่องอยู่หรือเกิดในจิตของพวกเราอยู่นั้นเนี่ยเมื่อเหตุปัจจัยมีอยู่ใช่หมความเสื่อมลาบก็ดีคำว่าบางทีเนี่ยมีลาบก็เป็นเหตุให้จิตจิตโศกได้ ใช่ค่ะเช่นว่าราบสกาลานั้นไม่เกิดกับเราไปเกิดกับบุคคลที่เราใช่ไมไปเกิดกับอีกคนหนึ่งใช่ไหเราก็ร่วมกันใช่ไหมคะเราก็โห้โโศกแล้วใช่ไหมจิตก็วันไววแล้วเราทาดีแทบตายทำมใช่ค่ะก็ก็ต้องตรึกกันนะคะในช่วงนี้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการให้โบนองโบนัก็เริ่มนะคะก็ต้อง ควรจะมานัศการให้ได้นะคะว่าทําอย่างไรจิตจะมีเศร้าโศกโศกาค่ะพระอาจารย์มีกรณีตัวอย่างไหมคะในเรื่องของจิตไม่เศร้าโศกหรือที่จิตเศร้าโศกเนี่ยค่ะก็คือตรงนี้นีตัวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันน่ยมันเยอะเราพิจารณาแม้แต่ทุกคนที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยถ้าถามว่าเคยเคยยินดีไหม เคยชอบใจเคยปราถนาเคยติดข้องแนวรมต่างๆไหมก็ต้องบอกว่าเคยคใช่ไหมถามว่าแล้เคยเศร้าโศกไหมเคยเคยไหมเมื่อเคยเศร้าโศกเนี่ยก็เราก็จะรู้ว่านั่นแหละคือความโศกมันเกิดขึ้นเพราะตัวโทมานะเวทนาเนี่ยที่เกิดในโทสะเนี่ยฉะนั้นตัวเศร้าโศกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายก็ให้รู้เถอะว่าจิตของเรามีกิเลสนั่นแหละ ก็เลยเป็นเหตุเป็นป <to> <revenge> ัจจ <nothing to> <ine> ัยแห่งความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นว่าเงี้ยจากจากภัยต่างๆดังที่ได้กล่าวมาทีนี้วิธีป้องกันก็คือว่าในปัจจุบันที่ความเสียหายต่างๆยังไม่กระทบกระทั่งเราเนี่ยก็ให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นนะวันนี้ไม่เจอเดี๋ยวก็เจอใช่มใช่ค่ะถ้าก็พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะไม่ประมาณ แล้วเมื่อเจอแล้วก็ยังกันได้บ้างถึงแม้ว่าจะยังมีกิเลสอยู่ก็บอกนึกแล้วเพราะเราตรึกพิจารณาไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วพอมาเจอสิ่งเหล่านี้เราก็เลยเข้าใจว่าเออไปซะจริงๆเห็นไหมให้พิจารณาสิ่งที่มันจะต้องเสียหายมันจะต้องวิบัติมันจะต้องเป็นไ ป, นปนตามกาลเวลาถ้าพิจารณาอย่างเงี้ยเหมือนมีลูกเนี่ยไม่จากลูกโล ก, กจากแล้วเป็นเรื่องปกติ ไม่จากเป็นกระจากตายมันใช่ไ ม, มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราจะตรึกเรื่องนี้มากน้อยเพียงไรและจะเข้าใจคำคำนี้ได้มากน้อยเพียงไรอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่จะต้องจะต้องพิจารณาค่ะท่านผู้ฟังคะก็ได้สดับตรับฟังเรื่องของอุดมมงคลสามปประการซึ่งว่ากันถึงเรื่องจิตของผู้ใดอันโลกธรรม ท, ทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหว ไม่เศร้าโศกนะคะก็ได้สดับในส่วนนี้แล้วก็คงจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันเพื่อความเป็นมงคลชีวิตนะคะพระอาจารย์ขาอยากจะกราบรัตนาให้พระอาจารย์ได้กรุณาพูดถึงเรื่องของปราศจากทุลีว่ามีความหมายอย่างใดแล้วก็เป็นมงคลชีวิตอย่างไดค่ะแม้ในมงคล ข้อต่อไปนะในเรื่องคำว่าวีระชังเนี่ยวีราชังนะั้นะนะหมายความว่าปราศจากกิเลสกุเลกิเลสกับทุลีเนะี่ยกับคําว่าเขมังความกเกษมจากโยคะจิตที่ปราศจากทุลีนะนะั้นเป็นจิตปราศจากคือหมดนั่นเองนะได้แก่จิตของพระอริยเจ้าทั้งหลายจิตของพระอริยเจ้าในที่นั้นนะได้แก่จิตของพระอรหันต ซึ่งเป็นจิตที่ปราศจากทุลีโดยสิ้นเชิงเพราะว่าพระอรหันต์นั้นท่านไม่มีราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความไม่รู้ตามความเป็นจริงเป็นต้นคือจิตของท่านนั้นน่ะเกมจากโยคะทั้งสี่โยคะทั้งสี่นั้นก็ได้แก่กามโยคะไอเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในกามคุณอารมณ์ เครื่องประกอบสัตว์ไว้ในกามคุณอารมณ์คือว่าประกอบหรือประกอบในที่นั้นหมายความว่าครอบงําจิตของสัตว์โลกเขาไว้ให้อยู่ในโลกธระทใช่ไหม <c oughs> อย่างคนที่ไม่มีกิเลสทั้งอย่างคนที่มีกิเลสทั้งหลายเนี่ยเวลาโลกกระทำถูกต้องอย่างเช่นว่าลาบมีลาบมียศมีสุขแล้วก็มีสรรเสริญมาถูกต้องเนี่ย จิตของคนที่มีกิเลส ท, ทั้งหลายก็หวั่นไหวเมื่อถูกโลกธรรมเหล่านี้เข้ามาแตะต้องก็หวั่นไหวด้วยความเพลิดพืนินด้วยความยินดีด้วยความชื่นชมติดข้องนี้เขาเรียกว่าหวั่นไหวต่อโลกธรรมในปลายดีถ้าเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือว่านินทาและความทุกข์เข้ามากระทบกระทั่งหรือมาถูกต้องจิตของปุรุชนหรือคนที่ยังมีกิเลส ท, ทั้งหลายก็หวั่นไหวด้วยการด้วยด้วยความโกรธ ด, ด้วยความไม่พอใจ ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจหรืออาฆาตพยาบาทอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปุรุชนทั้งหลายเป็นอย่างนี้นโดยเฉพาะปุรุชนที่ไม่ได้ไม่ได้ฝึกขัดไม่ให้ได้ขัดเกลาไม่ได้ศึกษาคำสอนไม่ได้ประพฤติปฏิบัติในการที่จะละบาประธรรมมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นไปแล้วเนี่ยก็ง่ายต่อการที่โลกธรรมเมื่อถูกต้องแล้วก็หมุนไปตามโลกเนี่ย เมื่อลาบส ก, กาละเสียงสารเสริญเยินยอตลอดถึงเสื่อมลาบเป็นต้นเนี่ยเข้ามาถูกต้องมากระทบกระทั่งจิตของปุรุชนทั้งหลายแล้วเนี่ยก็ทนต่อสภาพเหล่านั้นไม่ได้มีเป็นอย่างนี้ทิฏโถทิฏฐโยคาเนี่ยเครื่องประกอบสัตว์ไว้ก่าวคือทิฏฐิคือความเห็นผิดเนี่ยถ้าความเห็นผิดเนี่ยถ้าเป็นความเห็นผิดของปุรุชนที่ไม่ได้สดับทั้งหลายเนี่ย ก็เป็นความเห็นผิดประเภทที่รุนแรงมากอย่างเช่นเป็นประเภทอหตทธุกขาทิฏฐิเนี่ยปฏิเสธเหตุนะก็แปลว่าไม่เชื่อว่าการมาเกิดการที่จะทําเหตุกล่าวคือทําเหตุชั่วแล้วจะได้รับผลชั่วเหตุที่เป็นบุญแล้วจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเนี่ยเขาไม่เชื่อเหตุพวกนี้ปฏิเสธเหตุถ้าประเภทนัตถิกาทิฏฐินี่ประเภทปฏิเสธผล เช่นว่าผลที่เขาได้รับในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สืบเนื่องมาจากเหตุในอดีตดังนั้นคุณความดีทั้งหลายที่เขาได้เนี่ยมันไม่ได้มีเหตุปัจจัยมาจากกรรมในอดีตเลยแสดงว่าก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมอย่างนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อผลค่ะบางพวกก็ประปฏิเสธทั้งเหตุและผลประเภทอกคริยทิฏฐิค่ะอย่างนี้รุนแรงมากคือไม่เชื่อเลย อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าประเภทเห็นว่าตายแล้วขาดศูนย์เนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่เขามีความรู้เนี่ยเขาก็จะเป็นมีความเข้าใจในเรื่องของสาสารในเรื่องของพลังงานต่างๆเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> เมื่อหมดแล้วร แ, แล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีละตัวที่จะมีปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณไปเกิดอย่างนี้เป็นต้นนี่ น, นะ <c oughs> อย่างนี้ก็ลทิฏฐิโยคะก็เป็นอันตรายไห <c oughs> โดยเฉพาะถ้าหากเป็นปุโุชนที่ไม่ได้ศึกษาคําสอนให้ดีๆก็จะเป็นอย่างนี้นี่แหละ เนี่ยแต่ภระริยะเจ้าทั้งหลายหรือจิตที่เกเสมเนี่ยท่านพ้นจากสิ่งเหล่านี้ประการต่อมาคือภาวะโยคะก็หมายความว่าประกอบสัตว์ไว้ให้ติดอยู่ในภพสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเวลาไปอยู่ในรูปประภพก็ดีไปอยู่ในภพภูมทิที่ดีที่งามต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเขาก็ยินดีพอใจในภพในภาวะที่เขาไปเกิดเนี่ยไปอยู่ในสภาพที่ดีงามเขาก็ไม่อยากจะออกไม่อยากจะพ้นจากสภาพตรงนั้นอันนั้นเป็นเรื่องปกติเนี่ยพอออก จากตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะได้สถานะอย่างนั้นอีกหรือไม่ความยึดติดผูกติดประการที่สี่ก็คือว่าอาวิชชา ย, ยคะเนี่ยเครื่องประกอบสัตว์ก็แปลว่าเป็นความหลงความไม่รู้ตามสภาพธรรมตามความเป็นจริงหลงต่ออารมณ์ทุกอารมณ์ที่มาถูกต้องนมาเกี่ยวข้องนี่เป็นอย่างนี้นะทีนี้ประการต่อมาว่าจิตที่ไม่โศก จิตที่ปราศจากทุลีจิตเกษมทั้งสามอย่างนี้ชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งความเป็นอาหุนยบุคคลคือบุคคลที่ควรเคารพควรบูชาอย่างยิ่งฉะนั้นลักษณะว่านำมาซึ่งการข้ามพ้นจากโลกโดยประการแรกก็คือว่าโลกธรรมเนี่ยภาริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านนั้นพ้นจากโลกกระทำ เทที่พ้นจากโลกธรรมก็แปลว่าโลกกระทำนั้นไม่กระทบกระทั่งไม่แตะต้องหรือไม่ทําให้จิตของท่านนั้นน่ยต้องหวั่นไหวหรือชาติติดอีกแล้วนี่เป็นอย่างนี้ส่วนนวกว่าพ้นจากขันธโลกก็หมายความว่าพระอริยะบุคคลโดยเฉพาะเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเน่ยท่านท่านพ้นจากอะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็แปลว่าท่านได้บรรลุ คุณธรรมชั้นสูงเขาเรียกว่าเข้าถึงพระนิพพานใช่ดังที่ได้กล่าวว่านิพพานนั้นเป็นที่สงบจากกิเลสและขัน5ก็แปลว่าท่านพ้นจริงๆคือยังขัน5ไม่ให้เป็นไปคือไม่ให้เกิดขึ้นอีกก็แปลว่าสามารถสงบระงับขัน5ไม่ให้ดำเนินไปได้ใช่แต่พวกเราทั้งหลายที่เป็นบุรุชนเนี่ยคนที่ยังมีกิเลสกันทั้งหลายเนี่ย ถ้าจะถามบอกว่าขันห้าของพวกเราอย่างดำเนินไปอยู่ไหมก็ต้องบอกว่ายัางดำเนินไปอยู่เหตุที่ดำเนินไปอยู่เพราะอะไรก็เพราะว่าเรายัางเอากิเลสราคะโทสะโมหะออกไม่ได้ก็จิตของเรายัางมีทุลีอยู่มันยังไม่ปราศจากทุลีและยังไม่เป็นจิตกเกษมถามว่าเมื่อจิตเรายังปรายังไม่ปราศจากทุลียังไม่เป็นจิตกเกษม เวลาเจอโลกธรรมมากระทบกระทั่งนะั้นเราก็หมุนหรือก็เป็นไปตามสภาพของโลกธรรม ท, ที่มันแตะต้องหรือมาถูกต้องไนหะจิตของเราก็หมุนไปตามสภาพนี่นีเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นที่เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านยังบอกบอกว่าการที่ท่านปรินิพานนี้เนี่ยท่านก็จะเป็นมงคลของท่านเนี่ยตัวอย่างที่จะยกประกอบก็คือว่า พามผู้หนึ่งที่ทำนาอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำอาเจลาวดีที่ทำนาอยู่ใกล้ริมฝั่งอาเจลาวดีเนี่ยเมื่อข้าวเริ่มจะสุกจวนจะเกี่ยวได้เนี่ยพามนั้นจึงได้นัดให้พวกทานกรรมกรของตนนช่วยเกี่ยวในวันรุ่งขึ้นค่ะแต่คืนนั้นก็เกิดฝนตกใหญ่ใช่ไหมค่ะพอะฝนตกใหญ่น้ําก็ไหลปลไอ้ท่วมพัดข้าวน้ําแกเสียหายหมดแล้วแกก็ร้องไห้เศร้าโศกไม่เป็นอันทำมาหากิน พระพรมศาสดาจึงทราบอุปนิสัยของพราหมณ์นั้นจึงได้เสด็จไปที่บ้านของพราหมณ์แต่เช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทําให้พราหมณ์นั้นหายจากความเศร้าโศกทีนี้บอกว่าเมื่อพราหมณ์เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จมาก็ทูลเชิญให้เสด็จขึ้นเรือนแล้วก็แสดงความเคารพพระพุทธเจ้า ก, ก็ตรัสบอกว่าดูก่อนพราหมณ์เนี่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วและประณีตเนี่ย ใกลและใกล้เนี่ยสังขารทั้งหลายเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงมีความแปรปวนเป็นธรรมดาตัวของเรายังไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามปัใจจัยชอบได้ทั้งที่เขามีจิตมีวิญญาณแล้วเราจะไปหวังในสิ่งที่ไม่มีจิตมีวิญญาณได้อย่างไรอันนั้นพระองค์เตือนอะไรรู้ไหมเตือนในลักษณะว่าร่างกายของเราเนี่ยเรายังบังคับไม่ได้เลยที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วทรัพย์สมบัติเราจะไปบังคับได้อย่างไร บอกว่ามันเป็น ต, ต, ต, ตาตาความพราหม์เนี่นะฟังแค่เนี้ยจิตของตะพาราหมณนี่ก็น้อมลงสู่ไตรลักษณ์พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาพิจารณาอย่างนั้นก็ได้บรรลุได้ก็ไม่เศร้าโศกจิตก็ปราศจากทุลีจิตก็เข้าถึงความเกษมได้นี่เป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะรายการสนทนาปัญหาธรรมะ ขอจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระอาจารย์ประหลัดสมทบประกะโมสสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านที่ใฝ่ในธรรมประสบความสำเร็จในธรรมเทลินขออนุโมทนาค่ะอมเมออกมมมสตย भगवा วाสาวัต व ि ह र त ิหารตีเจตวันเองอนั स ถปิณดิคัสสะอา् य त ีอธิคุณอัญญ क ं त รา र त วดि य ा अ भ ि क क भ ั क ं त เยรัตติยาอบิ प คัน त า न ันนาเคยวัล เยนับพระวาเทนุปัสสังกมิปุสสังกมิทวะพระวานัมพระวาเทนัมพระวาเทे व त ा भ ग व न ् त น ग ा थ ाะวาเทนัม สวัสดีค่ะญาติธรรมที่เคารพทุกท่านคะ่ะนี่คือรายการสนทนาปัญหาธรรมะเมื่อคราวที่แล้วก็ได้พูดกันถึงเรื่องมงคลในกลุ่มที่สิบนะคะคือจิตไม่วันไหวในโลกธรรมจิตไม่โศกจิตปราศจากทุลีแล้วก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็คงจะพูดกันถึงเรื่องของจิตเกษมวันนี้ขอรัตนา พระคุณเจ้าพระอาจารย์สมทบประกะโมจากวัดกลางบางประมาได้กรุณาสาธยายธรรมในหัวข้อจิตเกษมต่อขออาราธนาค่ะก็เจริญพรในมงคลทั้ง38ประการนั้ น, เ, นเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นสิ่งที่บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติแล้วจะนำความสุขความเจริญมาสู่ ทั้ง38ประการนั้นดังที่พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันมาตามลำดับโดยเฉพาะในเรื่องของคำว่าความเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมความไม่เศร้าโศกความไม่มีกิเลสความที่ว่ากเกษมจากโยคะในมงคลข้อที่35ความไม่หวั่นไหวในโลกธรรมมงคลที่36ความไม่เศร้าโศก มงคลที่37ก็คือความไม่มีกิเลสแล้วก็มงคลที่38ก็คือว่าความที่จิตเกษมจากโยคะในโลกธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของการที่จิตนั้นมีกิเลสจิตที่มีกิเลสที่ได้พูดไว้ครั้งที่แล้วในเรื่องของการที่ว่าสุนัขรักภรรยางตนเองที่บอกว่ามีชายสองคนพี่น้อง น้องชายนั้นเป็นชู้กับภรรยาของพี่ชายคือภรรยาก็ถูกน้องชายนั้นยุยงเออยุยงว่าให้ฆ่าสามีหญิงตนเองเสียแล้วตนเองก็ถึงขนาดลงทุนไปฆ่าสามีหญิงตนเองตายเมื่อสามีตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นงูเขียวที่เลือนตอนเองเหมนในขณะที่เกิดเป็นงูเขียวนั้นภรรยาจะนั่งจะยืนนอนอยู่ที่ไหนงูเขียวนั้นก็ไปอยู่ใกล้ๆด้วยความรัก ด้วยความผูกพันภรรยาของตนเองภรรยาก็โงดงิดกังงูเขียวนั่นก็ถึงกับนานฆะ่างูตายต่อมางูก็ไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในเรือนในบ้านหลังนั้นซึ่งก็มีความรักความผูกพันในภรรยาด้วยหนาาของราคะด้วยนาาของโลภะทิฏฐิมานะนั่นเองภรรยาไปที่ไหนก็ติดตามไปอยู่ใกล้ห่างนั้นไ ป, ไปมาที่สุดจริงๆก็อายเนยดังที่ได้เคยสรุปไปแล้วน่แหละ และต่อมาหญิงนั้นเกิดความอายก็ใช้อุบายในการฆ่าสุนัขนั้นตายเสียนเนี่ยทีนี้พอสุนัขนั้นตายแล้วเนี่ยต่อมาก็ไปเกิดเป็นโคอยู่ที่บ้านหลังนั้นแหละภรรยาไปที่ไหนก็ติดตามด้วยความรากักความผูกพันอยู่นั่นนะโดยราฆะกิเลสพอไปที่ไหนเนี่ยภรรยาก็เกิดความรู้สึกอายก็เลยฆ่าฆ่าโคนั้นเนี่ยพอโคนั้นตายแล้วเนี่ยได้ไม่คลายความรักก็มาเกิดเป็นลูกของผู้หญิง เพราะงัในท้องของหญิงนั้นทีนี้พอคลอดออกมาเนี่ยเด็กคนนั้นระลึกชาติได้ก็มีความรังเกียจรังเกียจภรรยาตัวเองเกินว่าโอ้ทําไมข้าเรามาขนาดนี้อย่างนเนะเกิดความทุกข์ความทรมานมากก็ไม่อยากให้ภรรยาตัวเองจับใช่ไหมก็ไปอยู่กับยายที่สุดจริงๆเน่ยเด็กคนนี้โตขึ้นมาบวชแล้วได้บรรลุปเป็นพระานเหตุที่ได้บรรลุได้เพราะอะไรระลึกชาติได้แล้ว จะบปวดกับพบชาติที่ตนเองได้รับเหมือนที่เคยได้บอกพวกเราหรือญาติโยนทั้งหลายที่บอกว่าสตรีลายโยนเก่าคือจากสี่ทวาร9้าในร่างกายในขันขันนี้เนี่ยพวกเราทั้งหลายให้กิเลสมีราคะโทสะโมหามานาทิฐิเป็นต้นเนี่ยเป็นตัวมาขับเคลื่อนเวลากิเลสทั้งหลายมาอยู่ในจิตของพวกเราเนี่ยกิเลสนั้นก็มาผักใส่ไล่ส่ง ทำให้เรายืนเดินนั่งนอนคูยเหยียดก้มเงยกระพริบต า, าปากทำกิจธุระการงานอะไรต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยก็เหมือนกับรถนั่นแหละเราไม่รู้ไงว่าให้คนที่ขับรถเนี่ยว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้หรือไม่ไว้ใจได้บางเอิญไปเจอคนที่ไม่ดีทั้งหลายคนที่ไว้ใจไม่ได้ทั้นก็ใช้รถแบบปูยยี่ปุยยำมาเนี้ใช้แบบไม่ทะนุถนอมใช้แบบไม่ได้ใส่ใจว่ารถนั้นจะพังจะเสียหรือไม่ <ขน IF AD>เพราะอะไรดูเหมือนว่าเขารักขันขันนี้เรือเกินเนอะเวลาราคาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความรักความผูกพันนะนะความต้องการไม่หยุดหย่อนเมื่อความต้องการนั้นไม่หยุดหย่อนมันก็ทําให้ขันนี้เป็นไปตามอํานาจของเขาคือเสือกระสนไปแต่ในยามใดโทสะ lor? มันขึ้นมาเป็นเจ้าเรือนนอะเวลาโทสะมันมาเป็นเจ้าเรือนเนี่ยมันก็บังคับบังคับให้ขันขันนี้เป็นไปตามอํานาจเป็นไปตาม วัตถุถูผสมของเขาอยากจะเครียดแค้นชิงชังใครก็เครียดแค้นชิงชังอยากจะโกรธอยากจะอาฆาตใครมันก็ทำเลยอยากจะหงุดหงิดในสิ่งใดอะไรต่างๆมันก็นําให้อัตภาพกล่าวคือขันขันเนี่ยให้เป็นไปตามอํานาจหรือมันนี่เป็นอย่างงี้นะในยามที่โมหะกล่าวคืออวิชชาเข้ามาเป็นใหญ่มาเป็นเจ้าเรือนเนี่ยมันก็ทําให้ลุ่มหลงในวัตถุที่ไม่ควรจะลุ่มหลงเนี่ยมันก็เป็นมันไปอย่างเนี้ย ในยามที่มานะเข้ามาบังคับบัญชาขันขันเนี่ยมันก็ยิงยิงถือตัวแล้มันก็มีความพองตัวเองมากของนั้นวิชาความรู้เอ่ยฐานะความเป็นอยู่เอ่ยรูปสมบัติเอ่ยอะไรต่างๆเราเนี่ยนยกนั่นเอาหมดลเลยนี่ยเปรียบเทียบหมดเลยในยามที่ทิฐิเข้ามาครองมาเป็นใหญ่โอ้โหมันเห็นผิดทุกอย่างเลยเนี่ย ฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ถ้าว่ารสตรีลายนต์เนี่ยถ้าเรายังให้เขามาใช้มาขับเคลื่อนอยู่ถ้าให้กิเลสเนะนมีตัณหามานาทิถี่เป็นต้นเนี่ยมาครอบครองแล้วเราเสียหายมากทุรีเนี่ยนะทุรีกล่าวคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันมีมากราคะโทสะแล้โมหะเป็นต้นซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เดือดร้อนหมดกิเลสเสียได้ก็เป็นความสุขอย่างยิ่ง ดังที่ที่ได้เล่าเป็นตัวอย่างมาเนี่ยชายพวกเนี้ยเป็นบุคคลที่หมดกิเลสแต่ถ้ายังไม่มีกิเลสแล้วเป็นยังไงมันก็เสือสายไล่ส่งพวกเราก็เป็นอย่างนั้นในอดีตแต่ถ้าตราบใดยังมีกิเลสอยู่ในอนาคตมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้มันก็เวียนไปอะไรนะมีกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมทํากรมกรมได้วิบากมีวิบากเกิดกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมมันวนมันไปอยู่เนี้ยนะนี้เนี่ยถึงบอกว่า ก, ากิเลสเนี่ยนะ ทำวัตถุรีทุรีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยทําให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาแล้วก็กนําความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงให้เกิดขึ้นนี่ๆเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าจิตปราศจากกิเลสก็เป็นมงคลที่บอกว่าจิตที่ปราศจากกิเลสวิราชังเนี่ยก็จิตที่ปราศจากทุรีจิตไม่มีทุรีเข้าไปจับก็คือทําให้จิตนั้นเน่ย จากจิต ท, ที่เศร้าหมองก็ทําให้จิตนั้นเข้าถึงความสะอาดเข้าถึงความผ่องใสจิต ท, ที่สะอาดจิต ท, ที่เข้าถึงความผ่องใสได้นั้นน่ยถ้าเราจะดูกันแล้วล่ะบุคคลที่ละตัณหาละมานาละทิฏฐิได้นั้นน่ยบุคคลนั้นก็คือเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ถ้าหากจะดูอย่างในชั้นของการที่ละได้อย่างยกตัวอย่างเช่นพาริยบุคคลทั้งหลายเนี่ย ภายาบุคคลทั้งหลายนั้นน่ะตัณหาท่านนั้นท่านสามารถละได้เมื่อตัณหาดับดังในข้อที่โยมถามมานี่ที่บอกว่าจิตปราศจากจิตเกษมหนึ่งจิตจิตเกษมในที่นั้นคือจิตปราศจากทุลีจิตปราศจากทุลีทุลีคืออะไรละ่ะราคะก็ชื่อว่าทุลีโทสะก็ชื่อว่าทุลีใชมโมหะเป็นต้นก็ชื่อว่าทุลี เหตุที่ชื่อว่าทุรีนั่นก็เพราะาเป็นชื่อของราคะเพราะว่าเป็นภัยมันทำให้เราเย็นว่ายตายเกิดไปในวัฏฏสงสารถ้าหากากาจัดทุรีปราศจากทุรีเสียได้แล้วนี่คือราคะโทสะโมห oh ะไม่มีแล้วเนี่ยจิตนั้นก็เป็นจิตที่เข้าถึงความกเกษมหมดแถ้าเราจะดูว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นพระโสดาบั น, นถามว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตของท่านเป็นยังไง ผู้ที่ปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์8ประการกาวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนะเนโดยสรุปก็คือว่าท่านทำศีลส ม, มาธิปัญญาให้ดำเนินไปเป็นบุคคลอันดับแรกที่ได้เห็นพระนิพพานเข้ากระแสรพระนิพพานเข้าถึงกระแสรพระนิพพานเป็นครั้งแรกท่านเห็นอริยสัจจะธรรมทั้งสี่เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้เช่นสักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวเป็นต น, นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณของพระตนะไตรยเป็นต้นเนี่ยแล้วก็สีรพตะปรามาศก็หมายความว่าเป็นตัวทิฏฐินะเป็นตัวทิฏฐิที่เป็นข้อเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจว่าการปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ในทางที่ผิดเมื่อท่านละได้เด็ดขาท่านเข้าถึงกระแสพระนิพพานครั้งแรก อย่างนี้เขาเรียกพระโสดาบันถามว่าจิตท่านเกษมไม่ก็ระดับหนึ่งถ้าระดับที่สูงต่อไปก็คือภาะสกทาคารใช่ไหมพริรยาบุคคลในพระพุทธศาสนานี่ก็แปลว่าผู้ที่ละสังโยชน์ผู้ที่ทำสังโยชน์ทั้งสประการนั้นกล่าวคือราคะโทสะและโมหะให้เบาบางลงภระรยาบุคคลประเภทนี้จะกลับมาสู่โลกนี้โดยการถือปฏิสนที่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็จะปรินิพานว่างั้นน่ะนถ้าประเภทที่สที่เขาเรียกว่าพระอนาคามีคือผู้ทีลัสังย์เบื้องต่ำทั้งห้าได้สิ้นเชิง น, นก็มีราคะโทสะกามราคะสังย์ปฏิฆะสังย์เป็นต้นเนี่ยท่านละได้เข้าสู่ปรินิพานในเทวโลกชั้นสุดทาวาสโดยไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ก็แปลว่าถ้าเป็นพระอนาคามีท่านก็เข้าสู่ภพที่เข้าถึงความบริสุทธ และที่สุดจริงๆท่านก็ไปเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานในสุดท้าววัดนี่เป็นอย่างนั้นจนประการสุดท้ายก็คือพระอรหันต์ผู้ละสังโยชน์เบื้องต่ําและเบื้องสูงได้หมดเลยนับว่าเป็นพระริยาบุคคลชั้นสูงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ละกิเลส ด, ดังทุลีได้หมดสิน้นจิตของพระอรหันต์นั้นจึงเป็นจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ใสสะอาดผ่องแผ้วเบิกบานเรียกสั้นๆว่าท่านสัมผัสพระนิพพานาพแล้ว เหมือนอะไบัวย่อมมีใบอันหยาดน้ําไม่อาจจะติดได้ชั้นใดผู้ทํานิพพานให้แจ้งย่อมมีจิตอันธุรีคือกิเลสไม่อาจจะเกาะติดได้ชั้นนั้นเหมือนกันนี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นพระผู้มีพระภาเจ้าจึงตรัสบอกว่าจิตปราศจากธุลีว่าเป็นอุดมมงคลเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าจิตเกษมจิตเกษมนั้นจักว่าเป็นจิตชั้นยอดเป็นมงคลชั้นสูงสุดใช่ไหม เพราะเป็นมงคลข้อสุดท้ายอย่างนี้นเขาบอกว่าเขมาเนะี่ยท่านหมายถึงความปลอดภัยพ้นจากพยันอันตรายทั้งปวงนะเนีถามว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยยังปลอดภัยไหมก็ต้องบอกว่าไม่ปลอดภัยก็เพราะว่าเราจะต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอาศรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เป็นสนัตว์นรกนี่เป็นอย่างงี้เนี่ยนะฉะนั้นการที่พวกเราทั้งหลายเนี่ย ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเอาถ้าเป็นมนุษย์ปย่ปลอดภยัยไหมปลอดภัยไหมไม่ปลอดภยัยเห็นไหมถ้ายิงว่ามีโอกาสที่จะเป็นโจรก็มีบางพบบางชาติใช่ไหมก็ถูกทําลายหรือไม่เป็นโจรน่ะเป็นคนดีก็ถูกทําลายเอาในปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมใช่คนนแทบจะเอาเครื่องประดับติดตัวกันแทบจะไม่ได้แล้วลําบากนั่นหมายความว่าอะไรก็คือเป็นชื่อของความไม่ปลอดภัยนั่นแล้ว อาสมมติว่าไม่มีจรผู้ร้ายอย่ายังปลอดภัยไหมก็ไม่ปลอดภัยนะยยังไม่ใช่ขับรถก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยอยากจะปลอดภัยกันเนะเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆหรือถ้าไม่มีภัยในสิ่งต่างๆเหล่นี้น้ําลมไฟหุงไม่ปลอดภัยเลยที่สุดจริงๆก็คือว่ามาดูภัยในตัวของเราเองแหะความเกิดก็ถือว่าเป็นภัยความแก่ ก็ถือว่าเป็นภัยความเจ็บป่วยก็ถือว่าเป็นเป็นภัยความตายก็นับว่าเป็นภัยความโศความร่ำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นภัยอั้างนั้นนลยอันนี้ไหมภัยที่มากระทบกระทั่งอะดูภายในหรือาา ก, ก็ไม่กกิเลสเป็นภัยไหมกิเลสถึงเป็นตัวอันตรายมากใช่ไหมใช่ค่ะตราบใดพวกเราทั้งหลายยังมีกิเลสโอ้โหภัยอย่า ง, งใหญ่หลวงเลย เวลาเราได้รับสิ่งที่ดีอะก็เพราะว่าจิตเรานั้นประกอบไปได้วยกุศลไปได้วยคุณงามความดีแต่ในขณะที่เราได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในชีวิตประจําวันเนี่ยล้วนมาจากกิเลสทั้งนั้น น, นั่นแหละคือเป็นภัยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเราไม่ปลอดภัยหว่างั้นเด้อเมื่อไม่ปลอดภัยเนี่ยจิตไม่ปลอดภัยก็คือว่า มีภัยคุกคามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยก็ทำความสะดุ้งหวาดผวาตกใจกลัวมีความวิตกกังวลพยันอันตรายต่างๆนานาเนราชภัยอาคีภัยเป็นต้นเนี่ยนะเนี่ยถ้ามาพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่าเรามีภัยมากบางทีไปมีสามียังไม่่อยมั่นใจคนที่มีภรรยาก็ไม่ค่อยมั่นใจถือว่าเป็นภัยนะอ่ะที่ไม่มีก็เลยเป็นภัยก็เังนะเยอะๆหมด มีก็เป็นภัยไม่มีก็เป็นภัยเอาเป็นไงดีเงี้ยนั่นและคือคือปัญหามีลูกลูกก็ร้ายมีในจ้างนายจ้างก็ร้ายมีเพื่อนเพื่อนก็ร้ายโอ้ยหแย่ๆหมดเลยทีเนี้ยภัยต่างๆเหล่านั้นน่ะทั้งภายนอกทั้งภายในภัยภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายภัยภายในก็คือกิเลสภัยเนจิตถูกกิเลสเข้าครอบงมครอบครองก็ลอยจิตนั้นเผอภัยไปทาบาปกรรมทั้งหลาย มีความชั่วต่างๆนาๆนาเนี่ยเมื่อไปทำชั่วแล้วก็เจออะไรชาติภยัยชาราภายัยพยาธิภยัยมรณะภายัยฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละเขาท่านถึงบอกว่าเราไม่พ้นจากพยัน์อันตรายต่างๆก็เพราะว่าเรามีภยัยโดยเฉพาะเครื่องผูกคือกิเลสเนี่ยก็ น, นับว่าเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงอย่างยกตัวยอย่างกามโยคะโยคะในที่นั้นก็แปลว่าเครื่องผูก การโยคะเครื่องผูกคือความไข่ความกำหนัดความยินดีภาวะโยคะเครื่องผูกคือพบคืออยากเกิดในพบภูมิต่างๆนั่นเละทิฏฐิโยคะเครื่องผูกคือความทิฏฐิเนี่ยความเห็นผิดเนี่ยอวิชชาโยคะเครื่องผูกคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงถามว่าโยคะทั้งสี่ประการเนี่ยเป็นภัยไหมนี่อะไรเป็นนับว่าเป็นภัยเลยว่าหนีไม่พ้นออกจากวงล้อของภัยไปไม่ได้ เมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดเกิดก็ไม่พ้นจากภัยนะที่สุดจริงๆก็คือว่าเราถูกภัยต่างๆเหล่านี้คอยครอบงําอยู่เสมอเพราะาเรามีเครื่องผูกเยอะไอ้อย่างยกตัวอย่างถ้ามีกาเ ม, มโยคะคือความใคร่แล้วเนี่ยจิตของสัตว์เหล่านั้นก็จะผูกอยู่กับอะไรผูกอยู่กับกาเมคุณหรือผูกกับวัตถุ ก, กาลใช่ไหมในรูปบางเสียงบ้างรสบ้างสัมผัสบ้าง รอดถึงคิดนึกในเรื่องราวต่างๆก็เป็นเหตุทําให้ติดข้องในวัฏฏะสงสารไม่รู้จะจบจะสิน้นก็เพราะอะไรก็เพราะไอ้ตัวความไข้นี่แหละว่าไงนี่มาพิจารณาอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าโยค่าเนี่ยเพราะว่าราค่าเนี่ยเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้เหมือนกันย้อมจิตให้ยินดีติดใจในรูปประพบอรูปประพบก็แปลว่ายังไม่ห้นจากวงล้อของภัยอยู่ใ น, นเลย ในภพภูมิต่างๆที่เราไปเกิดไปติดข้องกันอยู่เนอะโอ้โหจะปวดกันทั้งนั้นเลยนะี่ทิฏฐิโยคาความเห็นผิดมีอยู่สองอย่างนะทั้งสัตสตาทั้งอุเฉทาเนี่ยทั้งเห็นว่าเที่ยงและเห็นว่าขาดสูนเนี่ยเป็นภัยอีกแล้วเสียงหายอีกทิฏฐิดีๆคือสัมมาทิฏฐิไม่เกิดจะเกิดทิฏฐิแต่ละครั้งก็เป็นความเห็นผิดอีกแล้วนึกว่าเป็นคนฉลาดเลที่สุดจริงๆก็ถูกทิฏฐินี่ครอบงำออกจากทิฏฐิไม่ได้ออกจากภัยนั้นไม่ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออวิชาโยคะเนี่ยโมหะมืดมนปิดทำให้บอดไม่เห็นความจริงเนื้อเชือกผูกรัดล่ามสัตว์ไว้ให้เวียนอยู่ในโลกียะเนี่ยไม่รู้จักจบเล ย, เยฉะนั้นอัตกาถาท่านถึงบอกว่าโยคะราคะที่เป็นไปในการมาคุณทั้งห้าเนี่ยคือในรูปเสียงกินลดความกำหนัดยินดีด้วยอำนาจความพอใจเนี่ยตลอดถึงภาะวะโยคะความติดใจใน ฌานสมาบัติเนี่ยที่สอนระคด้วยศาสนาทิฏฐิเนี่ยนืแล้วก็วิชาความไม่รู้ในเรียสัตว์สีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้จิตนั้นไม่กเกษมไม่ปลอดภัยเมื่อจิตไม่กเกษมไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ติดอยู่ในภพในขันต่างๆทีนี้ถ้าไปดูบอกว่าแล้วจิตที่ปลอดภัยลราเป็นยังไงใช่ไหมจิตที่ปลอดภัยจากโยคะ เครื่องผูกทั้งสี่ประการเขาเรียกว่ากเกระแคือรอดรอดจากอะไรรอดจากวงล้อมของโยคะอันเป็นเชือกผูกทั้งสี่เกลียวแล้วก็ย่อมเป็นจิตกเกระแถ้าจริงๆท่านต้องหมายถึงจิตของพระอรหันตนะ์ใช่ไหมพระอรหันต์นี่ท่านสิ้นจากอะไรเสิ้นจากกิเลสสิ้นจาก อ, อ, อาสวะทั้งหลายสิ้นจากเครื่องหมักดองนะคำว่าอาสวะนี่ยเขาแปลว่าเครื่องหมักดอง ในปัจจุบันเนี่ยของหมักดองแล้วเนี่ยที่เราบริโภคกันเนีหลายหลายคนชอบบริโภคเนี่ยพวกสุราทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาจะทำเนเขาก็จะต้องหมักหมักเพื่อให้มีรสชาติแอลกอฮอล์ทำให้เกิดความมึนเมาทีนี้กิเลยคือราคะทิฐิมานาเป็นต้นเนี่ ย, ยไอตัวนี้ก็เป็นตัวหมัก เหมือนหมักดองมาหลายพบหลายชาติเลยเกินในวัตฏะเนี้ยเมื่อมันหมักดองแล้วในเวลามันเข้ามาเกิดในจิตเราเนี่ยโอยมึนเลยยังให้หลายๆคนมึนว่ากิเลสกันมาเยอะบางคนไปบอกโอ้ยไปหลงสิ่งนั้นไปหลงสิ่งนี้ไม่จริงเลยแต่ที่จริงคืออะไรรนะู้ไหมถูกกิเลสนั่นแหละครอบงําฉะนั้นถ้าเราจะเกลียดคนเนี่ยต้องเกลียดกิเลสเขานะอย่าไปเกลียดตัวบุคคลเขานะ คือถ้าจะไม่ชอบใจต้องไม่ชอบใจกิเลสของเขาแล้วถ้าหากกิเลสอย่างนั้นยังมีอยู่ในจิตของเราก็ต้องรีบจัดการที่เราก่อนนีนะ <c oughs> บางคนคิดว่าเอ้ยเราจะต้องแก้ไขคนนั้นให้ดีให้ได้มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ก็เลยถามบอกว่าเปลี่ยนแปลงยังไงเ <c oughs> ขาบอกเขามีอมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งมารักเขาถามว่ารักยังไง ผู้ชาคนนี้นิสัยไม่ดีอะแต่เขามีความมั่นใจว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงคนคนี้ด้ถามทําไมอความรักสามารถจะเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> าเนี่ยรูที่จริงคือเข้ า, ขาใจผิดความเข้าใจผิดนั่นคืออะไรรู้ไหมถามต้องดูว่าจิตของเราเนี่ยมีราคะาไหมถ้ามีราคะมีความกําหนัดมีความยินดีมีโทสะไหมบอกมีมีโมหะไหมอาจารยมี ไฟมันยังไหม้เราอยู่เนี่ยถ้าจะจัดการคนอื่นต้องจัดการไฟที่ไหม้สุมเราก่อนนะ เ, เรื่องกรุณาคนอื่นเนเป็นเรื่องที่ควรทําำถูกต้องเลยแต่อย่าลืมกรุณาตัวเองให้ถูกแล้วก็จัดการดับไฟที่ ท, ที่ที่ไหม้ตัวเองให้ได้ซะก่อนฉะนั้นจิตของพระละหันนั้นสิ้นแล้วซึ่งกิเลสอาสวะทั้งหลายพระ ย, ะ บ, ระยะบุคคลกล่าวคือพระละหันนั้นนะท่านตัดเชือก คือเครื่องผูกดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยทั้งสี่เกลียวได้หมดแล้วเชือกคือกามโยคะท่านตัดได้เด็ดขาดตั้งแต่ที่บรรลุเป็นผ้านาคาใช่ไหมส่วนเชือกกาวคือโมหะเนี่ยผ้าละหันทั้งหลายท่านตัดได้เมื่อท่านตัดเชือกคือเครื่องผูกได้แล้วท่านก็ได้รับอิสระภาพคือพ้นจากอะไรพ้นจากอะไ ร, รพ้นจากเครื่องพันธนาการใช่ไหม คนที่ถูกเชือกผูกอยู่แสดงว่าคนที่ยังไม่พ้นจากพันธนาการทั้งหลายหรือถ้าเราดูอย่างวงคนถูกโซ่ตีตรวนคุมขังเอาไว้เนี่ยถ้ายังไม่ได้รับอิสราภาพก็ถือว่ายังไม่หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการแต่เมื่อได้รับอิสราภาพแล้วก็ย่อมว่าผู้นั้นเน่ยอิสระเสรีมีความสุข ก, กายสบายใจชั้นใดจิตของพระอรหันต์ก็อย่างนั้นนั่นแหละ เพราะจิตของท่านนั้นไม่ต้องไปผูกกับอะไรไม่ต้องไปผูกกับอารมณ์ทั้งหลายแล้วเพราะกิเลสในใจของท่านนั้นจบนะหมดแล้วเนี่ยเมื่อกิเลสในใจของท่านท่านหมดแล้วเนี่ยเชื่อว่าจิตของท่านนั้นเข้าถึงความเกษมได้นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นในมงคลข้อที่สามสิบแปดเนี่ยท่านจึงบอกว่าเป็นจิตที่เกษมจากโยคะใช่ไหมโยคะก็มีการาโยคะเพราะว่าโยคะทิถิโยคะแล้วก็ อวิชายโยคะนี่เครื่องผูกพวกเราทั้งหลายไปตรวจสอบดูนะว่าเรามีเครื่องผูกสี่เกลียวนี้มัดอยู่ไหนต้องไปดูนะถ้ายังมีเชื่อคือราคะาแสดงว่านี่กาม โ, มโยคะเรามีอยู่ถ้ามีเชื่อคืออะไรทิฏฐิแสดงว่าตัวนี้มีอยู่ยินดีพอใจในพบภะตัวนี้ยังมีอยู่ความมืดความไม่รู้ตามความเป็นจริงแสดงว่าตัวนี้ยังมีอยู่ถ้ามีก็ตรวจสอบนะมีเป็นอย่างนั้น ทีนี้ภาตถคถาท่านได้แสดงการเกี่ยวข้องของมงคลทั้งสามสิบแปดประการเขาไว้ค่ะว่ายังไงคะท่านแสดงเขาไว้นะเกี่ยวกับว่าผู้ที่มุ่งหวังความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยตลอดถึงบุคคลที่ปราถนาความสุขกล่าวคือการเกษมในพระนิพพานแล้วเนี่ยเพราะไม่ครบคนพานคบบัณฑิต บูชาบุคคลที่ควรบูชาอาศัยการที่ทำบุญไว้ในปางก่อนจึงได้เกิดในประเทศที่สมควรเตือนใจให้ทำกุศล ต, ตั้งตนไว้ชอบสดับกรับฟังมากศึกษาศิลปะวินยัยกล่าววาจาที่เป็นสุภาษิตเมื่อยังเป็นคฤหัตก็ต้องใช้มีเก่าคืออะไรคือบำรุงมารดาบีดา แล้วก็ใช้นี่ใหม่คือคืออะไรบุตรภรรยาใช่ทรงขคาบุตรภรรยาแล้วก็ประกอบการงานที่ไม่ไม่ข้างค้างก็จะได้รับอะไรโภคทรัพย์คนที่ทําการงานไม่ข้างค้างในี่ยรวยทุกคนนะัคนที่ทําการงานค้างเนี่ไม่เคยรวยเนยะให้ให้ตรวจสอบดนะูถือว่าเป็นคนขยนันมันเพียรใช่ไหมไม่รอดขอบทางานไม่เสร็จเนี่ยทํางานไม่เสร็จนี่ไม่เคยรวย ถ้ากครทางานไม่ค้างค้างน่ยมจะรวยแต่บางคนอาจจะเถียงไอ้ทําเสร็จทุกทีทําไมถึงไม่รวยอ่ะไม่ตรวจสอบไม่ดีเรั่วหรือเปล่าจุดรั่วเยอะแล้วลก็นําโพกทระซับนั้นออกให้ทานเห็นไหมเมื่อมีโพกกระซับแล้วก็นําโพกทระซับนั้นออกให้ทานให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วก็ยากเพราะจริงๆซัพย์สมบัติเนี่ยถ้ามีมากเนี่ยก็ไม่ใช่ประโยชน์อะไรมากมายหรอกก็ต้องนําออกแจก ในในในข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้อย่างนี้ท่านบอกเป็นผู้ที่มีมือที่ไม่เปื้อนแล้วคนที่แจกจ่ายทานได้เหมาะสมนะี่ยคือมือไม่เปื้อนแตน่บางคนบางคนเะนี่ยจะล้างมือสักสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวแต่ถ้าหากว่าคัดสรรในเรื่องนี้ไม่โถเขาก็ยังบอกยังมีท่านยังบอกว่าเป็นผู้ที่ยังมีมือพี่เปื้อนอยู่เราลองตรวจสอบดูแล้ ว, ล ว, ลวเอ๊มือเราเปื้อนหรือเปล่าก็คือได้ให้นยะให้ได้เหมาะสมไหม เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและญาติากเนะนะ็เว้นจากบาปวิรเตียนเนี่ยปลาปานะเว้นจากบาปปลาปะนี้เรียกว่าบาปไม่ดื่มน้ําเมาทํากุศลให้เจริญขึ้นด้วยความไม่ประมาคือไม่ขาดสติอาศัยความฉลาดในกุศลก็ละเพศครือขัดและออกบวชข้าเกียรติเขาเรียกว่าพุทธภูมิเจนทาข้อวัดให้ดีมีความเคารพนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า และก็พระสาวกตลอดถึงพระอุปชาจารย์มีความยินดีตั้งอยู่ในสันโดษนะเมื่อตั้งอยู่ในสันโดษแล้วก็ตั้งอยู่ในภูมิของสัตว์บุรุษมีความกระตันอยู่ละความหดหู่ใจด้วยการฟังธรรมอย่าลืมนะว่าความหดหู่ด้วยอำนาจของถีนะ้มิท้าเนี่ยเพราะไม่มณนสิการไม่ใส่ใจในธรรมะเอเนคือขาดโยนิโสมนสิกานี่จิตก็หดขู่ เข้าถึงความท้อถอยเขาเรียกว่าจิตไม่ตึกลงในธรรมไม่น้อมลงในธรรมแล้วก็ขาดความรอบคอบขาดการวิจยัยวิจัยธรรมน่เนีที่สุดจริงๆก็คือกลายเป็นบุคคลที่จิตหดหูจิตท้อถอยจิตเศร้าซึมไม่ฟังธรรมนั่นเองครอบงาำอันตรายทั้งหลายด้วยขันติคือความอดทนทําตนให้เป็นผู้ว่าง่ายเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติ ด้วยการเห็นสมณะการเห็นสมณะนี่เป็นเป็นข้อวัดว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดีคนดีและคนมีศีลทั้งหลายเขาปราถนาอะไรรู้ไหมปราถนาเห็นผู้มีศีลทั้งหลายจะไกลสิบยชยี่สิบยชดสามสิบยอดก็ดันดนไปคือปราถนาเพราะปลเห็นผู้มีศีลเห็นสมณะทั้งหลายผู้สงบบาตทั้งหลายแล้วเนี่ยถาม่าไปเห็นแล้วใครได้ประโยชน์ ผู้เห็นใช่ไหมผู้ไปนีได้ประโยชน์บางคนก็ไม่อยากเห็นนเนี่ยเห็นแล้วทําให้กิเลสตนเองไม่ค่อยเกิดเลยไม่ค่อยยองคนหวงกิเลสอยู่ยังผูกพันกับกิเลสเหนียวแน่นผงไม่ยอมเราบอกงั้นถามทำไมผูกพันกับเขามานานแล้วชาตินี้ไม่มีทางที่เราจะจากเขาได้เอาเป็นค้งมั่นโค้งตัวกิเลสจริงจีแล้วก็กําจัดความสงสัยด้วยการสนทนาธรรมนะ เวลาเกิดความสงสัยเกิดความข้องใจขึ้นมาแล้วต้องหันหน้าเข้าสนทนาธรรมแต่คําว่าสนทนาธรรมเนะี่ยต้องสนทนากับคนที่รู้นะไม่ใช่ต่างคนต่างก็ไม่รู้ก็นั่งหันหน้าก็หากันก็สนทนาเดี๋ยวก็ได้เรื่องกนะันนึงสนทนาธรรมตามการเนะี่ยทำความบริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยตบะตะบะในที่นั้นมีชื่อว่าความเพียรนะี่ย คือการสำรวมบินทรีย์ทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยพรมจรรัญจนพรมัญจนทั้งสิบ ป, ประการอย่างที่ได้กล่าวที่สุดจริงๆก็คือมรรคพรมัญจนจนถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการเห็นอริยสัจสี่การเห็นอริยสัจสี่ก็คือเห็นทกุกทุกเป็นอะไรทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้สมูทยัยอ่ะคือตัณหาเป็นสิ่งที่ควรกําหนดควรละ แต่นาเนี่ความโลภความกโกรธทั้งหลาย น, นี่ความโลมอริ อ, รอรินิโลธเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งอริยมรรคเป็นสิ่งที่ควรเจริญมือมรรคนั้นเป็นสิ่งที่ควรเจริญทำนิพพานให้แจ้งด้วยการด้วยด้ว ย, ว ย, วยอรหัตผลเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในโลกกระทได้ลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสารเสริญสุขทุกข์หนึ่งเป็นผู้ปราศจากความโศกปราศจากทุลีคือกิเลส เป็นผู้ที่เกษมปลอดโปร่งจากโยคะจึงไม่ท่ายแพ้เข้าถึงความสวัสดีในโลกทั้งปวงคือสวัสดีใ น, ในที่ทั้งปวงนั่นเองฉะนั้นความสวัสดี เ, เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายปรารถนากันเวลาเราเจอหน้ากันเราก็ปรารถนาให้เข้าถึงความสวัสดีแต่ถ้าจะเข้าถึงความสวัสดีได้นั้นท่านกล่าวว่าจะต้องประพืชปฏิบัติในมงคลทั้ง38มประการนะคือการไม่คบคนพาน การคบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการอยู่ในประเทศที่สมควรการทําบุญไว้ในปางก่อนการตั้งตนไว้ชอบการฟังธรรมการศิลปะวินัยที่ศึกษาดีแล้ววาจาสุภาษิตการบำรุงมารดาการบรุงบิดาการสงเคาะบุตรภรยาการงานไม่อากูลทานการประพฤติพรหมจารย์การส่งเคราะห์ยากการงานที่ไม่มีโทษการงดเว้นจากบาปที่20บคืออะไร ยี่สิบก็คือการสํารวมจากดื่มน้ําเมาสํารวมในที่นั้นคือเว้นนะไม่บางวนไปแปรไปว่าค่อยๆดื่ม <c oughs> ยุ่งเลยดังนั้นระวังดื่มกลัวแก้วจะหกนี่แหละเขาว่างั้นเอยกลัวน้ําน้ําเหล่าน้ําน้ําน้ําเมาจะล้นจะหกนี่เขาเรียกสํารวมเงั้นไม่ใช่สํารวมในที่นั้นคือไม่ดื่มความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคราวาความถ่อมตนความสัมโดดความกระตันยู การฟังทำตามการขันติความเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะการสนทนาทำตามการตบะคือความเพียนเผากิเลสพรหมจรรย์การเห็นอริยศาสตร์การทำนิพพานให้แจ้งความไม่หวั่นไหวในโลกกะระทำความไม่เศร้าโศกความไม่มีกิเลสความที่เป็นจิตกเกษมสรุปคือมงคลทั้งสามสิประการดังที่ได้กล่าวมานครับพระอาจารย์ค่ะในเรื่องของมงคลเนี่ย น, นะคะ คือพอดีเราเหลือเวลาอีกประมาณสักสามนาทีอยากจะให้พระาอาจารย์ได้ฝากอะไรให้ญาติธรรมได้ตรึกว่ามีความจำเป็นสำคัญอย่างไรแล้วก็ควรจะนําไปใช้ให้เกิดในชีวิตประจำวันค่ะในมงคล น, นั้นท่านบอกบอกว่าดังที่ท่านกล่าวเขาไว้ที่ท่านเชิญชวน น, นะนะเทวดาทั้งหลายแล้วก็มนุษย์มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยต่างก็ ก็สงสัยกันว่าอะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลก็หมายความว่าปราถนาว่าจะให้ตนเองนั้นเข้าถึงความสวัสดีการที่สัตว์ทั้งหลายหรือบุคคลทั้งหลายจะเข้าถึงความสวัสดีได้นั้นบุคคลนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีมงคลตรวจสอบดูว่าตนเองนั้นมีมงคลทั้ง38บประการครบไหมหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถ้าหากว่าไม่มีมงคลเลยที่เกิดมาเนี่ย แต่เราก็ปราถนาจะให้ตนเองนั้นเข้าถึงความสวัสดีเนี่ยยากมากเพราะว่าความสวัสดีจะเกิดขึ้นได้นั้นบางทีเนี่ยเราไปหาพระเราก็ต้องการความสวัสดีให้เกิดขึ้นกับตนเองใช่ไห <Okay. S 1> บางคนก็ไปขอน้ำมนต์บ้าง <Yeah. S 1> ไปขอได้สายศีลบ้าง <Okay. S 1> ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย <Okay. S 1> บางคนก็ปราถนาให้ตนเองนั้นได้รับความสุขความสวัสดีความร่มเย็น ก็หาไม้มาทําหาต้นไม้มาเป็นมงคลบ้างหานกมาเลี้ยงให้เป็นมงคลบ้างหาสีที่เหมาะกับตนเองให้เป็นมงคลบ้างปลูกบ้างให้เข้ากับทิศให้เข้ากับโงเูเฮงอะไรต่างๆบ้างเนี่ยซึ่งต่างลางต่างเหล่านั้นเป็นมงคลภายนอกแต่ความสวัสดีนั้นมันอยู่ภายในจิตของเราอยู่ในการในอยู่ในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายนยีฉะนั้นถ้าหากพวกเราทั้งหลายปรารถนาความสวัสดี ปรารถนาที่จะให้ตนเองนั้นเข้าถึงความเป็นผู้เข้าถึงความสวัสดีที่พระพุทธเจ้าตรัสอีกคํานึงที่บอกว่าที่บอกว่านานยัตระโภชฌาตประสานานยัตตราอินทรียสังวรานานยัตตราสพนิสขาสถทิงภาษานิปานินานนีโภชฌาคือความรู้ตประสาคือความเพียรอินทริยสังวราคือการสำรวมระวังสพนิสขาคือการสละกกิเลส ฉะนั้นในมงคลดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยถ้าจะเข้าถึงความสวัสดีได้แล้วก็จะต้องมีมงคลก็คือประพฤติปฏิบัติในมงคลคนสามสิบปดประการดังที่ได้กล่าวเมื่อสามารถทํามงคลกล่าวคือไม่ครบคนพ่านเป็นต้นได้แล้วเนี่ยท่านผู้นั้นเองจะเข้าถึงความสวัสดีแล้วก็จะมีความสุขทั้งในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนี่เป็นอย่างนั้นค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ ก็ได้สระดับฝับ่งเรื่องของมงคล38ประการก็ใช้เวลา3าเดือนเต็มนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ประสบความสวัสดีเป็นมงคลชีวิตทุกทั่วหน้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินขออนุโมทนาค่ะ โบ้เดเรวาแมนสัตมังกรนันอัชริยุอาคันธมาณฑสุขานังโหริมังกรมุตตม์โหริมังกรมุตตม์โหริมังกรมุตตม์เศรษฐนาชบาลานังปัญญาหนังชเสริญน โจอชโปจนียานมเอตัมมังกลมุตตมมเอตัมมังกลมุตตมมเอตวิจขัตตพญท เวรมโอทรมเอตัมมังเวรมโอทรมบาห์ปัญชิติปัญชะบินโยชสุติขิตหูสุภัสตาเงเรมโอทรมเ h ุปัฏฐานมีอุปการะศรีระหุนักูลาสะธรรมตาเอตัมมังกาลโมตมมเอตัมมังกาลโมตมมเอตัมมังกาลโมตมมฐานะธรรมะเฉลียะชะนักตาหนิงจะสุนฺหหุ อันวัจนธรรมานุเอเตมังกรุธรรมันเอเตมังกรุธรรมันเอเตมังกรุ n รรมันอารถิระถิป่อป อัปมาโดชะดัมนสุเทตะมั a กาลาโมตมันเทตะมังกาลาโมตม n นเทตะมังกาลาโมตมันปารุชะมิวาตุชะสัญติชะกัณฐากาเลนธัม เอตัมมังกาลามุตัมม์เอตมงกาลามุตัมม <laughs> ์เอตัมงกาลามุตัมม <laughs> โลกจะตกน้ำภาวนาอยู่เชิดสันธุ์อาลัยสันธุ์มาช้าก็ช้าเรื่องสันธุ์ลายมือทรมิตรบ มีมาเนสัตย์ชีวิยานะเอตัมวาลัมโอตมเอตัมวาลัมโอตมเอตัมวาลัมโอสนั่นตัณ e a m a n a m Rudram, Ekam Ganam r u d a m e k a d i s a n i Kartana, k a r t a p a d a a a a u t a s a m a t a a m a l a m a m a n m a a m o a m a n t i a m a l a m o a a n i